อยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีก็ต้องเข้าหาพระเข้าวัดเพราะวัดเป็นที่สอนให้คนเป็นคนดีแล้วอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก็ต้องคอยสอนคอยเตือนลูกถึงจะเป็นคนดีได้เพราะต้องมีคนคอยสอนคอยบอก ถ้าไม่มีคนสอนคอยบอกก็อาจจะเป็นเป็นคนไม่ดีเป็นเป็นแบบพวกลิงก็ได้โซนแต่ถ้าคอยสอนคอยบอกเขาก็จะรู้ว่าเขาควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไรคนบางคนไม่เข้าใจมาวัดก็คิดว่าจะ มาฝากพระมายกให้พระเป็นลูกแต่ก็เอากลับคืนไปเพียงแต่มาทำพิธีปอมให้เสร็จแล้วก็ขอคืนคิดว่าทำอย่างนี้เราจะทำให้ลูกเป็นคนดีก่อนเราจะเป็นคนดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมพิธีกรรมไม่ได้เป็นตัว ที่จะกําหนดให้คนเราดีแล้วไม่ดีต้องการสั่งสอนแล้วก็การกระทาสั่งสอนแล้วก็ต้องคอยดูคอยว่ากล่าวตักเตือนสอนไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะเข้าใจเหมือนกับเราที่เราเข้าใจเราก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สอนเรามาก่อนจิตของเราแต่ละคนเวลามาเกิดใหม่นี่บางทียังไม่ได้มีการาพัฒนาจำเป็นที่จะต้องมีการสอนให้พัฒนาให้เจริญให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นแต่จิตบางดวง บางคนนี่ได้เคยพัฒนามาแล้วก็ไม่ต้องสอนมากถ้ายัางไม่ได้พัฒนามาก็ต้องสอนมากหน่อยเหมือนกับคนที่เรียนหนังสือถ้าเคยเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วเวลาไปเรียนต่อเช่นเวลาย้ายย้ายถิ่นฐาน จากเมืองนี้ไปเมืองนั้นแต่ได้เรียนอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้แล้วพ อ, อย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งก็ไปต่อชั้นได้เลยไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ชั้นหนึ่งใหม่จิตก็เหมือนกันจิตของพวกเราแต่ละคนนี่ได้รับการฝึกฝนอบรมมามากน้อยต่างกันเมื่อ มาเกิดจึงมีความรู้ความสามารถที่จะทําความดีและทําความชั่วต่างกันแต่ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วชั่วก็ทาให้ดีขึ้นชั่วก็ทาให้ดี ดีก็ทำให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะจิตของผู้ที่ยังมาเกิดอยู่นี่ยังไม่ถือว่าดีร้อยเปอร์เซต้องพัฒนาให้ดีขึ้นไปจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดาจากเทวดาให้ไปเป็นพรหมจากพรหมให้ไปเป็นพระอริยบุคคล ไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ตามลำดับจิตของพวกเราทุกคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระอรหันตสาวกก็ได้เป็นพระาาพอริยบุคคลขั้นต่างๆก็ได้เป็นพรมก็ได้เป็นเทวดาก็ได้หรือจะไปทางต่ำก็ไปได้ จะไปเป็นเดรัจฉานก็ไปได้จะไปเป็นเปรตเป็นนสุรกายไปนรกก็ไปได้ไปด้วยการศึกษานี้หรือไม่ได้ไม่ได้ศึกษา เ, เช่นถ้ามีการศึกษาเปรียบเทียบทางโลกถ้ามีการศึกษาก็สามารถพัฒนาขึ้นไปจากปรถมไปสู่มัธยม จากมัธยมไปสู่อุดมศึกษาไปสู่ปริญญาเโทอเอกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปได้อยู่ที่ว่าจะมีความสามารถมีความพยายามที่จะผลักดันให้ไปสู่ระดับต่างๆได้หรือไม่คนบางคนก็ เดินจบแค่ป .6 ก็ไม่อยากเรียนแล้วก็ไปทำอะไรที่ไม่ดีชอบไปทำอะไรที่ไม่ดีชอบไปเที่ยวเตะชอบไปเสพ อ, อบายามุขไปเล่นการพ น, นันไปทำอะไรที่ไม่มีประโยชน์ อันนี้ก็จะเป็นการาหยุดพัฒนาจากการไม่พัฒนาก็ไปสู่การไปสู่ที่ต่ำ อ, อันนี้จิตเราทุกคนนี่เหมือนกันจะให้ขึ้นสูงก็ได้จะให้ลงต่ำก็ได้ส่วนหนึ่งที่จะดึงให้พวกเราขึ้นสูงได้ก็คือ สิ่งแมดร้อมคือบุคคลที่เราอยู่ด้วยถ้าเรามาเกิดในครอบครัวที่ดีเขาก็จะสอนให้เราเป็นคนดีถ้าเราไปเกิดในครอบครัวที่ไม่ดีเขาก็จะสอนให้เราไม่ดีเช่นถ้าครอบครัวชอบเสพ บ, บายามุกก็จะสอนให้ลูกเสพ บ, บายามุข ถ้าครอบครัวไม่เสพอบายามุขก็จะสอนไม่ให้เสพอบายามุคขครอบครัวที่เข้าวัดก็จะดึงก็จะพาให้เข้าวัดอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดแล้อมคือบุคคลที่เรามาเกิดอยู่มีอิทธิพลต่อจิตใจของพวกเรา จิตใจของพวกเราก็มีอยู่สามแบบแบบที่หนึ่งก็แบบที่ายดีเคยได้ถูกฝึกฝนสั่งสอนให้ายดีอีกแบบที่สองก็ายต่ำเกิดมาจากชาติอดีตชาติก็ายต่ำไม่สนใจชอบไปในทางที่ต่ำในทางที่ไม่ดี อีกฝ่ายอีกชนิดหนึ่งก็เป็นพวกแบบกลางๆไม่ฝ่ายดีไม่ฝ่ายต่ำแล้วแต่จะใครจะดึงไปเหมือนรถที่เข้าเกียร์ว่างเข้าเกียร์ว่างนี้จะเข้าจะเปลี่ยนเป็นเกียร์เดินหน้าก็ได้เปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยหลังก็ได้ <c oughs> อยู่ที่ว่าจะถูกใครดึงไป <c oughs> จิตบางคนนี่ฝ่ายดี จะไปอยู่ที่ครอบครัวที่ดีหรือไม่ดีก็จะทาจะจะายดีถ้าไปอยู่ครอบครัวที่ไม่ดีเขาจะดึงไปทางไม่ดีก็จะไม่ไปส่วนจิตใจที่ายต่าถึงแม้ว่าจะไปเกิดในครอบครัวที่ดีที่จะดึงให้ไปในทางที่ดีก็ไม่ไปส่วนจิตใจที่เป็นกลาง ก็ยังไม่ฝ่ายดีไม่ฝ่ายต่าอันนี้ก็จะง่ายต่อการชักจูงถ้าอยู่กับครอบครัวที่ดีเขาก็ชักจูงไปในทางที่ดีได้ถ้าอยู่ในครอบครัวที่ไม่ดีเขาก็จะชักจูงไปในทางที่ไม่ดีก็ได้ได้ฉะนั้นเราที่เป็นพ่อแม่ที่เราบีลูก เราก็ไม่รู้ว่าลูกของเรานี้จะเป็นจิตใจชนิดไหนอาจจะเป็นจิตใจที่ฝ่ดีหรือจิตใจที่ฝ่ต่ำหรือจิตใจที่เป็นกลางๆอยู่ที่ใครจะดึงไปดังนั้นเราไม่รู้เราก็ต้องทําตามความทําตามหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่ ถ้าเรารู้ว่าอะไรดีเราอยากให้ลูกดีเราก็ต้องดึงเขาไปทางนั้นส่วนเขาจะไปหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวเขาเขาจะไปได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ตัวเขาตอนที่เขาเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเข า, เาต้องไปเพราะว่าเขายังไม่มีตัวตนของเขาเขายังไม่สามารถที่จะทำอะไรตามลำพังได้เขาก็ต้องอาศัยเรา ตอนนั้นเป็นเวลาที่เราจะชักจูงให้เขาไปในทางที่ดีได้ตอนเป็นเด็กเนี่ยว่านอนสอนง่ายแต่พอเริ่มโตขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสามารถทำอะไรเองได้มากขึ้นก็อยากจะทำตามใจของตอนเองทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเขา เขาใยไปทางไหนถ้าเขาไยไปในทางไม่ดีพอเขาโตขึ้นแล้วเขาเป็นตัวของเขาเองแล้วเขาก็จะไปในทางที่เขาเขาอยากจะไปถึงแม้ว่าตอนที่ตอนเด็กตอนเล็กอาจจะมีพ่อแม่คอยสอนคอยดึงให้ไปในทางที่ดีแต่พอเขาเป็นตัวของเขาแล้ว ถ้าใจเขาฝ่ายต่ำเขาก็ยังต้องเขาก็จะเขาก็จะไปถ้าเขาเป็นใจที่กลางๆเองถูกสอนให้ไปทางไหนก็จะไปทางนั้นตอนเด็กพ่อแม่สอนให้ทำอะไรดีเขาก็ทำตามพอเขาเป็นตัวของเขาแล้วเขาก็ทำต่อ แต่ถ้าไม่มีพ่อแม่สั่งสอนให้เขาทำดีหรือไม่ดีเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่คนอื่นอยู่ที่เพื่อนฝูงอยู่คนที่เขาไปคบค้าสมาคมด้วยถ้าเพื่อนชวนไปในทางไม่ดีเขาก็จะไปในทางที่ไม่ดีได้ถ้าเพื่อนชวนไปในทางที่ดีเขาก็ไปทางที่ดีได้เั้น <c oughs> เรื่องของจิตใจนี้ก็ เป็นอย่างนี้มีสามสามลักษณะลักษณะที่ฝ่ายดีไม่ว่าใครจะดึงไปทางไหนก็ไม่ไปฝ่ไปต่ำจะดึงไปทางดีก็ไม่ไปส่วนพวกที่กลางๆนี่อยู่ที่ว่าใครจะดึงไปใครดึงไปทางไหนก็ไปกับเขาทางนั้นนี่คือลักษณะของจิตใจของคนเรา เพ่อแม่บางทีเลี้ยงลูกแล้วไม่ได้ไม่ได้ดังใจก็อยากไปเสียใจถ้าเราทำควาถ้าเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วให้สอนเขาชักจูงเขาโน้มน้าวเขาให้ไปในทางที่ดีแต่ถ้าเขาโตขึ้นแล้วเขาไม่ไปเขาอยากจะไปทางอื่นก็ก็ต้องทำใจว่านี่คือหลัก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 แต่กรรมดีมาเราก็จะทำกรรมดีต่อไปถ้าเราเคยทำกรรมชั่วมาเราก็จะทำกรรมชั่วต่อไปยกเว้นว่าเราได้รับคำสั่งสอนแล้วเห็นว่าการกระทำของเรานี้ไม่ดีไม่ถูกต้องแล้วเราพยายามที่จะฝืนใจเราเราก็ยังสามารถเปลี่ยนจากการ ไปกระทาชั่วให้กลับมากระทาดีได้แต่ต้องมีคนสอนมีคนดึงเออเช่นคนบางคนมาบวชนี่พอมาบวชก็ได้มาศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เห็นโทษของอบายมุขให้เห็นโทษของการทำบาป พ, พอศึกไปก็อาจจะเลิกอบายมุขก็ได้ ตอนต้นไม่รู้ไม่รู้ว่ามีมีผลเสียหายยังไงในเรื่องของการเสพอบายามุกเพราะพอ่อแม่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่พอมาได้บวชได้ศึกษาก็จะได้รู้ว่าผลของการเสพอบายามุกผลของการทาบาปนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะที่มีที่เกิดขึ้นในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเพออราะว่าหลังจากที่ตายไปแล้วออการกระทาที่เราทากันอยู่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่มันก็จะไม่อิทธิพลส่งให้เราส่งให้เราไปเกิดในภพต่างๆอีกต่อไป เ, ออเราอาจจะไม่รู้ว่าเราตายแล้วเรายังต้องไปเกิดใหม่ เราไม่รู้ว่าอะไรทำให้เราไปเกิดดีอะไรทำให้เราไปเกิดไม่ดีแต่ถ้าเราได้มาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้ว่าการกระทาของเราต่างๆนี้มีผลต่อการไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าต่อไปมีผลทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ด้วย ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ชีวิตเราจะดีหรือจะไม่ดีก็อยู่ที่การกระทําของเรากรรมแปลว่าการกระทําการกระทําก็มีสามคือกระทาทางกายกระทาทางวาจาและกระทําทางใจการกระทําทั้งสามนี้มีการกระทําทางใจเป็นผู้ ผู้คู่กำกับเหมือนกับผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ยตัวแสดงนี้จะแสดงอย่างไรนี้ต้องฟังผู้กำกับผู้กำกับบอกว่าให้แสดงแบบนี้แบบนั้นนักแสดงก็ต้องแสดงตามการกระทําทางวาจาคือการพูดการกระทําทางร่างกายคือการเคลื่อนไหวด้วยร่างกายจะ ต, ต้องรอผู้กำกับ คือการกระทาทางใจการกระทำทางใจก็คือความคิดความคิดความเห็นความคิดความเห็นนี้จะเป็นผู้สั่งให้ให้พูดดีหรือไม่ดีให้ทำดีหรือไม่ทำดีถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิได้เห็นว่าทำดีจะทำให้มีความสุข ทำไม่ดีจะทำให้มีความทุกข์ผู้กำกับก็จะสั่งให้ทำดีให้พูดดเออีเพราะไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์กันออมีแต่อยากจะมีความสุขกันแต่บางทีถึงแม้ว่าผู้กำกับจะรู้ว่าออการพูดดีทำดีนี้นำความสุขมาให้การพูดไม่ดีทำไม่ดี นำความทุกข์มาให้แต่บางทีก็ห้ามจิตใจให้คิดไปในทางที่ไม่ดีได้เพราะจิตใจในนี้มีผู้ที่คอยกำกับอยู่หลายมีอยู่สองฝ่ายฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีบางทีเราอยากจะดีแต่บางทีใจมันไม่ดี บางวันอารมณ์เราไม่ดีวันไหนที่เราโกรธนี่เรามักจะคิดไม่ดีแล้วก็จะนํานไปสู่การพูดไม่ดีทําไม่ดีต่อไปนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราทั้งๆ ท, ที่บางทีเราก็ได้เรียนรู้ว่าทําดีนําความสุขความเจริญมาให้ ทำไม่ดีนำความทุกข์ความเสียหายมาให้แต่บางทีเราก็ห้ามตัวเราเองให้ไปทำไม่ดีไม่ได้เพราะว่าเรามีผู้กากับที่ไม่ดีอยู่ในใจเรามีผู้กากับที่ดีและผู้กากับที่ไม่ดีอยู่ที่ว่าใครจะมีกำลังมากกว่ากัน ถ้าผู้กำกับไม่ดีมีกำลังมากกว่าผู้กำกับที่ดีผู้กำกับที่ไม่ดีก็จะเดึงใจสั่งใจให้คิดไปในทางที่ไม่ดีเช่นให้ไปดื่มสุรายาเมาให้ไปลักทรัพย์ให้ไปประพฤติผิดประเวณีให้พูดป่ดแต่ถ้าผู้กำกับฝ่ายดี มีกำลังมากกว่าก็จะมายับยั้งได้รอะว่าคิดอย่างนี้ไม่ดีคิดทำบาปไม่ดีการที่เราจะมีผู้กำกับที่ดีได้เราต้องศึกษาบ่อยๆศึกษาธรรมะเพราะธรรมะนี้เป็นฝ่ายดีจะสอนให้ ทำดีให้ละบาปให้กำจัดผู้กำกับที่จะคอยดึงให้เราไปในทางที่ไม่ดีผู้กำกับที่จะคอยดึงเราไปในทางที่ไม่ดีคือกิเลสตัณหานี่เองที่จะคอยดึงให้เราไปทำในสิ่งที่เสียหายอยู่เรื่อยการที่เรามาศึกษาธรรมะาน เพื่อที่จะมาะกำจัดผู้กำกับที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจแล้วก็มาสร้างผู้กำกับที่ดีให้เป็นผู้กำกับใจของเราให้คิดดีพูดดีทำดีถ้าเรามีกากับที่ผู้กำกับที่ดีเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีเหมือนผู้กำกับภาพยนตร์ ถ้าเป็นผู้กำกับที่ดีก็จะทำให้ภาพยนตร์ดีได้รางวัลตุกตาทองถ้าผู้กำกับไม่ดีก็จะทำภาพยนตร์ที่ไม่ดีไม่มีคนดูก็จะไม่ได้รับรางวัลนี่คือเรื่องของใจของพวกเราทุกคนที่ยังต้องมีการสร้างผู้กำกับใหม่กัน ผู้กำกับที่เรามีตอนนี้ที่เป็นฝ่ายดีมีน้อยผู้ที่เป็นฝ่ายไม่ดีนี่ยังมีมากอยู่ทำไมถึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเรายังมาเกิดกันอยู่ยังมาเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่นี่แสดงว่าเรายังถูกผู้กำกับไม่ดีกำกับให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเอง ถ้าเรามีเป็นมีผู้ที่กำกับดีผู้กำกับจะไม่ให้เรากลับมาเกิดจะให้เราหยุดการเกิดเพราะการเกิดนี้มันไม่ดีเพราะว่าเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันต้องเจอกับสิ่งต่างๆที่เราไม่ต้องการจะเจออันนี้นะ ทำไมเราจึงไม่ควรมาเกิดกันเพราะเกิดแล้วมันทุกข์ถ้าเรายังมาเกิดอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่มีผู้กำกับดีที่มีกำลังมากพอที่จะดึงให้เราไม่มาเกิดกันเราจึงต้องมาพยายามพัฒนาผู้กำกับใจของเราให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อที่จะ ยับยั้งใจของเราไม่ให้กลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเป้าหมายสอนให้เราหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันเป็นทุกข์ความสุขที่ได้จากการมาเกิดนี้มันน้อยกว่าความทุกข์ที่เราได้จากการมาเกิด วันวันหนึ่งนี้เราสุขไม่นไม่มากแต่ทุกอยู่เรื่อยๆทุกเบะทุกเล็กทุกน้อยก็มีทุกใหญ่ก็มีทุกใหญ่ก็ถึงกับร้องห่มร้องไห้ทุกน้อยๆก็ไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราเจอความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆถ้าเรามาเกิดเนี่ย ถ้าเราไม่อยากจะเจอความทุกข์เราก็ต้องหยุดเกิดกันการที่เราจะหยุดเกิดได้นี่เราก็ต้องมีคนสอนคนที่รู้วิธีหยุดการเกิดก็มีพระพุทธทเจ้ากับพระอรหันตสาวกพระอาริยสงสาวกนี้เทานั้นที่เป็นผู้ที่จะรู้วิธีที่จะหยุดการมาเกิดได้ ถ้าคนอื่นนี้ไม่จะไม่รู้เพ่อหนึ่งไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้มาเกิดสองอะไรที่จะเป็นเหตุที่จะกําจัดเหตุที่จะทํามาทำให้เรามาเกิดมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกที่ค้นพบวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดส่งค้นพบ สาเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยต้องยังสามารถหยุดการมาเกิดได้พอหยุดแล้วทีนี้ท่านก็มาสอนคนอื่นใครอยากจะยุติการเกิดแก่เจ็บตายก็ไปศึกษาจากพระพุทธเจ้าพอศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติได้ไม่นานก็สามารถที่จะยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้พอหยุดหยุดได้แล้วก็มาช่วยพระพุทธเจ้าสั่งสอนผู้อื่นต่อไปคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ยังมีมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีการถ่ายทอดวิธีถ่ายทอดคำสอนก็คือ ศึกษาศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติจนบรรลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็สามารถสอนผู้อื่นต่อไปได้ถ้าศึกษาแต่ยังไม่ปฏิบัติแล้วไปสอนผู้อื่นนี้จะสอนไม่ถูกต้องจ ะ, จะไม่จะจะไม่สามารถสอนให้ผู้อื่น ห, หลุดพ้น จากการเกิดแก่เจ็บตายได้เหมือนกับเราเรียนทำกับข้าวเรียนว่าจะทำกับข้าวาจานนี้จะต้องทำอย่างไรแต่ยังไม่เคยไปทำเองเพียงแต่รู้วิธีเวลาไปทำก็อาจจะทำไม่ถูกก็ได้แล้วถ้าไปสอนคนอื่นคนอื่นเขาก็ เขาก็ไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำถูกนั้นทำอย่างไร mm hmm. ก็ต้องลองผิดลองถูกไปก่อนทำแล้วบางทีก็ไม่น่ากินหรือทำแล้วกลิ่นก็ไม่อร่อย <Yeah. S 1> เพราะว่ายัางไม่ได้ยังไม่ได้กระทํานั่นเองการกระทําก็ต้องมีการลองผิดลองถูกไม่ใย้ทำปั๊บจะถูกปุ๊บทุกอย่างทำแล้วบางทีก็ผิด ผิดก็ต้องมาแก้ไขดัดแปลงค่อยแก้ไปแก้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวในที่สุดก็ทำถูกต้องคนที่ได้ปฏิบัติแล้วนี้จะรู้ผิดรู้ถูกในวิธีการปฏิบัติก็จะสามารถสั่งสอนผู้อื่นได้แต่ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติเองนี่จะไม่สามารถสั่งสอนผู้อื่นได้ เวลาผู้อื่นทำถูกหรือทำผิดก็ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกเนี่ยดังนั้นก่อนที่เราจะไปสอนผู้อื่นเราต้องสอนตัวเราเองก่อนเราต้องปฏิบัติเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองก่อนว่าปฏิบัติแบบนี้ถูกไหมได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับไปจนกว่าจะทำให้ถูกทำให้เกิดผลขึ้นมาเมื่อเกิดผลแล้วทีนี้ ก็สามารถที่จะนำเอาไปสอนผู้อื่นได้อย่างถูกต้องศาสนาของพุทธศาสนานี้ก็มีการถ่ายทอดความรู้นี้มาตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าท่งถ่ายทอดคือในวันอาสาห บ, บูชาเนี่ยวันเพ็ญเดือนแปดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้า เอาความรู้ที่ส่งรู้จากการปฏิบัตินมาสอนผู้ที่ยังไม่รู้ให้รู้จักวิธียุติการเกิดแก่เจ็บตายพอสอนแล้วผู้ที่ศึกษาก็เอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็สามารถยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ ก็สามารถที่จะสั่งสอนผู้อื่นได้อีกต่อไปก็เลยมีการสั่งสอนมีการศึกษาความความรู้อันนี้มาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาจึงอยู่มาได้ถึง 2,500 กว่าปีนะถ้าเป็นไปตามคำปยากรัดก็จะอยู่ไปถึงประมาณ 5,000 ปีด้วยกัน หลังจากนั้นก็จะหมดไปเพราะอะไรเพราะจะไม่มีการถ่ายทอดนั่นเองคนที่จะสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคําสอนนี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆ ย, ยุคสมัยพระพุทธเจ้านี่มีคนสนใจศึกษาปฏิบัติมากเป็นยุคทองมีคนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเป็นจำนวนมากแตพอพระพุทธเจ้า จากไปแล้วคนที่สนใจก็มีน้อยลงไปทีละเล็กทีละน้อยจนมาถึงสมัยนี้ถึงแม้จะมีคนนับถือศาสนาพุทธมากก็ตามแต่คนที่จ ท, ที่จะศึกษาอย่างจริงจังคนที่จะปฏิบัติอย่างจริงจังคนที่จะบรรลุผลอย่างจริงจังนี่ก็มีน้อยมาก อันนี้เป็นการแสดงให้เราเห็นว่านี่คือการเสื่อมแต่เรากลับมองไม่เห็นการเสื่อมเพราะเรามีการเจริญไปอีกทางหนึ่งเป็นเป็นภาพลวงมาหลอกเร า, าศาสนาเราตอนนี้เจริญไปในทางไหนจเจริญไปในทางวัตถุกันอย่างนี้เรามีวัดวานามสวยงามเยอะแยะ สร้างวัดกันขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยแต่เป็นเพียงแต่ตัวอาคารเป็นตัววัดแต่ตัวธรรมะคือการสั่งสอนการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุนี้ไม่ไม่ค่อยมีมีน้อยตัววัดของศาสนา ตัววัดความเจริญของศาสนาที่แท้จริงก็อยู่ที่จำนวนของพระอริยบุคคลเหมือนกับกสถาบันการศึกษานี้จะวัดความเจริญของสถาบันการศึกษาก็ต้องวัดอยู่ที่จำนวนของบัณฑิต ท, ที่สำเร็จการศึกษาถ้ามีนักศึกษามากแต่จบน้อยเช่น มีศึกษากันหมื่นหนึ่งแต่จบกันแค่พันเดียวนี่ยก็แสดงว่าไม่เจริญถ้าศึกษากันพันถ้าศึกษากันหมื่นหนึ่งแล้วก็จบการศึกษารับปริญญากันหมื่นอย่างเงี้ยอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นการเจริญถึงแม้ว่าเราจะเป็นชาวพุทธกันเป็นพุทธศาสนิกชนเมืองไทยเป็นชาวพุทธ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าคนเจ็ดสิบล้านเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเจ็ดของเจ็ดสิบล้านก็หกสิบสามล้านหกสิบสามล้านนี่เป็นพราอรันต์หกสิบสามล้านคนหรือเปล่าถ้าอยากจะวัดความเจริญของศาสนาต้องวัดที่จำนวนของพราอริยบคุคคล มีพระโสดาบันกี่รูปไปทําสํารวจกันบ้างนี่ยงเนี่ยาศาสนาพูธเราเนี่ยเคยสํารวจตอนนี้จํานวนพระอริยบุคคลกันบ้างว่าว่ามีพระโสดาบันกี่รูปพระสกิฎาคามีกี่รูปพระอนาคามีกี่รูปพระอาหารหันต์กี่รูปอันนี้แหละเป็นตัววัดความเจริญของาศาสนาแต่เรากลับไปวัด ความจเจริญของศาสนาอยู่ที่ว่ามีวัดอยู่กี่วัดมีพระภิกษุกี่รูป ก, การมีพระภิกษุนี่ไม่ได้เป็นการเป็นการรับประกันว่าเป็นพระอริยะเพราะว่าการเป็นพระภิกษุนี่มันง่ายจะตายไปสมัยนี้ไปขอพระบวชเขาก็จับบวชนขอให้เอาหาบริขารมาให้หาบาทหาจีวรมาให้ โกนหัวเข้าไปในบวชเข้าไปในโบสถ์พับออกมาก็เป็นพระภิกษุกันแล้วการเป็นพระภิกษุนี้ไม่ได้เป็นการเป็นพระอริยบุคคลเราต้องเข้าใจพระภิกษุที่เราเห็นที่เราถาบว่าเรียกว่าพระภิกษุสงฆ์นี้ไม่ใช่พระอริยสงฆ์ในสุปฏิปันโนสวากาโตอสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนโคนลาคนลาพระกันเอ ถ้าบวชปับออกจากบวชปับเป็นพระอริยะเลยก็ดีจะได้บวชกันเยอะๆใช่ไหมบวชกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวสามเดือนออกพรรษาก็สึกไปนคนึ่งเนี่ยตอนนี้วัดมีภิกษุประมาณสองแสนหรือสามแสนเดี๋ยวพอออกพรรษาก็เหลือครึ่งเดียวเพราะว่าพวกที่มาบวชในบวชแค่สามเดือนบวชแค่ช่วงเข้าพรรษา ไม่ได้วบวชมาเพื่อที่จะมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อมาบรรลุ ก, กันมาบวชเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าได้มาบวชให้พ่อให้แม่แล้วทดแทนบุญคุณพ่อบุญคุณแม่ไปสังเกตดูบ้านชาวพุทธนี้ถ้ามีลูกชายนีย่เขาจะมีถ่ายรูปลูกชายบวชพระนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ ไม่ได้เป็นการบวชอย่างแท้จริงไม่เป็นการบวชเหมือนในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลนี้ท่านบวชไม่สึกกันท่านบวชเพื่อลุดพน้นท่านลดท่านบวชเพื่อบรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันแล้วท่านก็อยู่ต่อไปเพื่อจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์คอยสั่งคอยสอน สมัยนี้เราจะนับจํานวนพระอารหันต์ได้ก็ต้องรอให้ท่านตายไปก่อนนั้นพราะเวลาท่านตายแล้วกระดูกของท่านจะกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาอันนี้อก็เราก็คงจะรู้ว่าคงมีไม่มากที่พระที่ตายไปแล้วจะมีกระดูกกลายเป็นพระาธาตุจะมีมากก็อยู่ สายของหลวง ป, ปาาู่มั่นพระอาจารย์มั่นตั้งแต่พระอาจารย์มั่นลงมาเนี่ยเวลาท่านตายไปแล้วนี่กระดูของท่านกลายเป็นพระธาตุกันพระอาจารย์มั่นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นต่างๆที่ไปศึกษากับพระอาจารย์มั่นปฏิบัติกับพระอาจารย์มั่นเวลาท่านตายไปกระดูของท่านก็กลายเป็นพระธาตุกัน ก็มีไม่มากนับไม่ถึงร้อยอันนี้แหละคือความเจริญของพพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่เจดีย์แต่อยู่ที่มีคาสอนของพระเจ้าหลงเหลืออยู่หรือเปล่าแล้วต้องเป็นคาสอนที่จะออกจากผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องแต่เป็นคำสอนที่ผู้อ่านา จ, จะอ่านแล้วไม่เข้าใจเพราะว่าภาษาอาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของภาษาของการแปลภาษาเพราะเดิมทีเป็นภาษาบาลีแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยภาษาไทยเราก็เปลี่ยนไปเรื่อย ยุคโบราณก็พูดอย่างหนึ่งพอมาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็พูดอีกอย่างหนึ่งพอคนปัจจุบันมาอ่านคาแปลของของยุคโบราณบางทีก็อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าคนที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี้จะเข้าใจจะจะสามารถอธิบายได้ว่ามีความหมายว่ายอย่างไร นี่คือทำไมเราจะเห็นจะวัดความเจริญของศาสนานี้ต้องวัดที่อาภะอริยบุคคลเท่านั้นต่อให้มีพระไตรปิฎกเป็นหมื่นตู้แสนตู้เนี่ยบางยุคก็มีคนทําทบุญสร้างตู้พระไตรปิฎกไปถวายตามวัดต่างๆพอไปถวายก็ตั้งอยู่ในวัดนั่นแหละไม่มีใครไปเปิดดู พระเปิดดูแลอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจก็เลยไม่รู้อ่านไปทำไมคนที่สนใจศึกษาคนที่จะ ส, สนใจที่ปฏิบัติจริงๆม า, มากจะไปหาพระอริยะบุคคลกันอย่างตอนที่หลวงปู่มั่นมีชีวิตอยู่พระเนนที่บวชก็มุ่งไปหาหลวงปู่มั่นอยู่ที่ไหนก็ตามบวชอยู่ที่ไหนก็ตามหลวงปู่มั่นอยู่เชียงใหม่ บวอยู่ที่ภาคอีสานก็ท่านก็เดินทุ่ดงไปกราบหาหลวงปู่มั่นกันไปศึกษาจากหลวงปู่มั่นกันเพราะว่าศึกษาจากหนังสือนี้มันไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ครบศึกษาเรายังไม่สามารถที่จะกำจัดความสงสัยต่างๆได้แต่พอไปถามพระอริยบุคคล ท่านก็จะตอบได้ทันทีเป็นอย่างนี้เป็นอย่าง น, อองางนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แต่อ่านในหนังสือไม่เข้าใจออว่าให้ทำอย่างไรออทำแล้วก็ไม่ได้ผล อ, อ, อ, อ, อันนี้คือเราต้องดูความเจริญของศาสนาที่พระอริยบุคคลพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบออที่เรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโน ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีจํานวนไม่มากพระสุปฏิปโนส่วนใหญ่ท่านมักจะไปอยู่ตามป่าตามเขากันเพราะว่าป่าเขานี้เป็นที่เอื้อต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองแต่การไปอยู่ป่าอยู่เขามันก็ยากเพราะโดยธรรมชาติของ พวกเราที่เกิดในบ้านในเมืองติดอยู่กับความสุขความสบายของบ้านเมืองพอจะไปอยู่ป่าอยู่เขาก็เลยไม่อยากจะไปกันไ่อยู่ที่ธุระกันดารอยู่ที่ไม่มีความสะดวกสบายทางทางร่างกายทางการรับประทานอาหารทางเรื่องของการกินการอยู่นี้ จะไม่สะดวกสบายเหมือนกับตอนที่อยู่ในบ้านในเมืองเราเกิดในบ้านในเมืองจึงยากต่อการที่เราจะไปศึกษาและปฏิบัติกับพระอริยบุคคลกันนอกจากพวกที่มีบุญเก่าเยอะพวกที่มีความสามารถที่จะอยู่แบบอดอยากขาดแคลนได้ อยู่แบบอยู่แบบยากคืออยู่แบบสมถะเรียบง่ายไม่มีเครื่องอำนวยความสุขความสะดวกทางร่างกายถึงจะสามารถไปศึกษาและไปปฏิบัติกับพระอาริยบุคคลได้แต่ถ้ายังติดอยู่กับความสุขความสบายทางร่างกายการกินการอยู่ ต้องมีน้ำไฟพร้อมต้องมีเครื่องอบำบัดความทุกข์ยากลำบากต่างๆเช่นพัดลมอ ะ, อะไรต่างๆถ้าอย่างนั้นก็จะไปศึกษากับพระอริยบุคคลไม่ได้เพราะพระอริยบุคคลนี้ท่านอยู่กับธรรมชาติเหมือนตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ พระอริยบุคคลทุกๆรูปนี้ท่านจะอยู่แบบธรรมชาติกันท่านไม่ต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยอย่างที่พวกเรามีกันท่านไม่ต้องมีไฟฟ้าไม่ต้องมีน้ำประปาไม่ต้องมีรถเกง๋งรถยนต์ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรต่างๆตู้เย็นพัดลมเอ่อทีวีหรืออะไรต่างๆสมัยนี้ก็มือถือเนี่ย มือถือไม่ได้พาให้เราไปถึงนิพพานได้หรอกถ้าอยากจะไปนิพพานก็ไม่ต้องมีมือถือก็ได้ ถ, ถ้ามีมือถือแล้วมันจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมากกว่าเพราะสิ่งที่อยู่ในมือถือนี่มันจะดูดให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันเปิดมือถือเดี๋ยวก็เห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นที่ท่องเที่ยวเห็นโรงแรมเห็นอะไรต่างๆที่เป็น เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดดันั้นถ้าอยากจะมุ่งไปสู่พระนิพพานอยากจะยุติการเกิดแก่เจ็บตายนี้ต้องตัดสิ่ง ต, งต่างๆเหล่านี้ไปต้องกลับไปอยู่ย้อนยุคยุคของพระพุทธเจ้านั่นะไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรต่างๆแต่ยุคนั้นทำไมมีพระอริยบุคคลกันเยอะแยะไปหมดก็เพราะไม่มีเขาเรียกนิวรนะ ตัวที่จะคอยขวางกัน้นพระนิพพานนั่นเองอพวกเรานี้มีนิวรณ์เต็มไปหมดเนี่ยเราอยู่กับนิวรณ์โดยไม่รู้สึกตัวแต่ใจเราเราก็อยากจะไปนิพพานกันอีกใจหนึ่งก็ไม่ยอมทิ้งนิวรณ์มันก็เลยไปไม่ได้นิวรณ์ก็คือกามัชันทะนี่ความสะดวกสบายทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่สบายกินสบายยางอยากกินอย่างสบายสุขสบาย เวลาปฏิบัติก็อยากจะปฏิบัติอย่างสุขอย่างสบายมันไปไม่ได้มันไม่ไเป็นมันไม่ได้เป็นทางเดียวกันทางไปสู่พระนิพพานนี้ครูบาอาจารย์บางรูปท่านบอกมันออยู่ฟากตายพระนิพพานนี่อยู่ฟากตายถ้าไม่ยอมตายนี้ไปไม่ถึงนิพพานอถ้ายังรักตัวกลัวตายยังรักความสุขรักความสบายอยู่นี้อย่าไปไปไม่ได้ เพราะมันติดติดสุขติดกามสุขกามฉันทะคือติดกามสุขติดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเอต้องมีมือถือคอยเช็คดูเรื่อยๆวันตอนนี้มีอะไรบ้างเออเดี๋ยวก็เปิดดูละเดี๋ยวเพื่อนคนนี้ไปอยู่ที่ไหนเพื่อนคนนั้นกําลังทําอะไรเอติดตามถ้าติดตามอย่างนี้จิตไม่มีวันที่จะเข้าสู่ความสงบได้เอ นั่งพุดโทได้ห้านาทีก็นึกถึงเพื่อนนะเห้เขากำลังทำอะไรกันอยู่วะ เ, เดี๋ยวขอพักเดี๋ยวก่อเปิดมาดูไหม <laughs> อันนี้ถ้าอยากจะไปนิพพานอยากจะศึกษากับพระอริยบุคคลนี้ต้องย้อนอยู่แบบย้อนยุคต้องหัดอยู่แบบย้อนยุคให้ไดอ้อยู่แบบเรียบง่ายสมถะหัด อย่ามีไฟฟ้าก็ลองอย่าใช้ไฟฟ้าดูปิดไฟเปิดใช้เทียนเอาคิดว่าไฟดับอยู่อย่างนั้นเราจะสบายจะไม่ค่อยมีเรื่องราวที่จะมาคอยให้จิตใจเราต้องมาวุ่นวายอยู่เรื่อยๆอยู่แบบสมถะเรียบง่ายปัจจัยสี่ก็แบบแบบมักน้อยสันโดษ พอเพียงเสื้อผ้าสองสามชุดก็พอนะฮะถ้าเป็นชุดปฏิบัติธรรมก็สามชุดชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไวส้ไวสำรองเผื่อวันไหนฝนตกแล้วมันไม่แห้งจะได้มีชุดสามลองสําหรับนั่งปฏิบัติธรรมนี่เสื้อผ้าสามชุดก็พอนะะที่อยู่อาศัยก็กุฏิกระท้อเล็กๆเกนี่ยขนาดเอสามเมตรคูณสามเมตรนี่ก็อยู่ได้นะ สองเมตรคุณสามเมตรคุณสามเมตรเนขนาดระหว่างเสาเนี่ยมีหลังคากานแดดกันฝนไม่ต้องมีฝ้ามีฝาก็ได้ที่บนเขานี่จะมีแค่ที่มีขนาดประมาณนี้ประมาณสักสองเมตรห้าสิบสามเมตรกับสองคูณด้วยสองเมตรมีเสาสี่ต้นมีหลังคาไม่ต้องมีฝ้ามีฝา ก็มีมุ้งมีกรดกลางมุ้งกลางเต้นเอ า, เอากันกันโยงได้แค่นี้ก็อยู่ได้แล้ว อ, อยู่ในปา่าเงียบสงบไม่มีอะไรมาวุ่นวายใจมีทางเดินจงกรมไว้เปลี่ยนอิรลียบท่านั่งนานๆมันก็ปวดก็เมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมเพื่อผ่อนคลายความม่วยความเจ็บปวดเมื่อยล้าของร่างกาย เดินไปจนกว่าจะเริ่มเจ็บปวดจากการเดินก็หยุดก็กลับมานั่งใหม่ถ้ามีการปฏิบัติแบบนี้สลับกันไปตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่เดี๋ยวก็ได้หลุดพ้นเหมือนกับไปเรียนมาอะไรนี่ถ้าไปเรียนทุกวันตามตามตารางที่เขาบอกให้เรียนเดี๋ยวก็จบสี่ปีก็จบแต่ถ้าเรียนแบบเรียนบ้างไม่เรียนบ้างอาทิตย์หนึ่งไปแค่สองวันอย่างนี้ เรียอีกสิบปีก็ไม่จบเพราะว่าเราไม่ได้เรียนตามตารางที่เขากําหนดไว้ถ้าเราปฏิบัติตามตารางที่พระพุทธเจ้าทรงกําหนดไว้เดี๋ยวไม่เกินเจ็ดปีพระพุทธเจ้าบอกว่าจบแน่ๆตารางของพระุธเจ้าก็คือเนี่ยให้ให้ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งแต่ตอนเย็นหลังจากอาบน้ำเสร็จพระ หลังจากปัดกวาดเสร็จก็ไปสงน้ำสงน้ำเสร็จก็ไม่มีภารกิจอะไรต้องทำก็เดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปจนถึงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มก็พักผ่อนหลับนอนประมาณสี่ห้าชั่วโมงตื่นขึ้นมาตีสองหรือตีสามก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อจนถึงสว่างพอถึงสว่างก็ออกไปบินธบัต บินบาดกลับมาจากบินตบาดก็ฉันที่ศาลาฉันเสร็จก็ช่วยกันเก็บกวาดกวาดถูเสร็จเสร็จแล้วก็แยกกันกลับไปที่พักแล้วก็ไปปฏิบัติต่อไปเดินจงมกมนั่งสมาธิต่อจนถึงตอนบ่ายถึงเวลาปัดกวาดลานวัดก็มาช่วยกันปัดกวาดลานวัดมาทำความสะอาดถูศาลาอะไรให้เรียบร้อย ทำทำความสชาห้องน้ําห้องท่าอะไรต่างๆ เ, ออเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปส่งน้ำออก่อนออก่อนจะส่งน้ําก็อาจจะไปฉันน้ําปะนะหน่อยก็ได้ถ้ามีน้ําปะนะให้ฉันก็ไปฉันน้ําปะนะออไปฉันน้ําผลไม้ที่ อ, อหรือน้ําชากาแฟอะไรเพืเออ่อที่จะไดเออ้เติมพลังให้แก่ร่างกายหน่อย มีน้ำตาลมีน้ำพึ่งอะไรเหมือนก็เพราะว่ า, าพระปฏิบัติจะฉันมือเดียวจะหนวนเดียวตอนบ่ายก็อาจจะรู้สึกท้องวิววิวก็าหาอะไรเตินทัานหน่อยพอตานเสร็จแล้วก็ไปสงน้ำอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็มินก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาจำวัดพักผ่อนหลับนอน อันนี้เป็นตารางที่พระพุทธเจ้าทรงกําหนดให้พระปฏิบัติได้ปฏิบัติกันแล้วก็บางวันก็จะมีการเรียกไปอบรมสั่งสอนบางทีสักอาทิตย์หนึ่งก็จะเรียกประชุมกันตอนหัวบ่ํามตอนที่สงน้ําเรียบร้อยแล้วทําอะไรภาคกิจเป็นเวลาที่จะปฏิบัติทำแล้วบางทีท่านก็เรียกไปอบรมะ ไปสั่งสอนไปแสดงธรรมไปสั่งสอนเรื่องวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะถ้าไม่สอนเดี๋ยวก็ลืมหรือว่าไม่รู้ก็จะอาจจะทำไม่ถูกพอทำไม่ถูกแล้วผลมันก็จะไม่เกิดอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ท่านจะต้องเรียกไปอบรมอยู่เรื่อยสั่งสอนอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้เราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองการ ม, มีครูบาอาจารย์จึงส ำ, สำคัญมากจำเป็นมากถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เนียเราก็จะทะเลถลายกันออกนอกลูก่นอกทางกันถึงแม้ว่าจะรู้ทางแต่เดี๋ยวก็ลืมหรือถูกกำนาดไฝต่ำที่มีอยู่ในใจ มันชอบดึงเราให้เราออกนอกลู่นอกทางกันแต่พออยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เดี๋ยวท่านก็เรียกมาสั่งมาว่าเก่าตัดเตือนมาสั่งมาสอนหรือถ้าเราเห็นถ้าท่านเห็นเรากำลังไปนอกลู่นอกทางท่านก็จะเตือนจะบอกอย่างนี้มันก็จะทำให้เราไม่ไม่หลงทางไม่เสียเวลาอันนี้แหละคือเรื่องของการที่เราจะ สามารถปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราให้ขึ้นสูงได้จะต้องมีครูบาอาจารย์มีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่จะหล่อร้อมจิตใจของเราให้ไปในทิศทางที่ดีได้สิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือเนี่ยสิ่งที่ไม่มีเครื่องย่วยวนโกนกิเลสต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ น, นี่ ถ้าอยู่กับธรรมชาตินี้มันไม่มีอะไรมาคอยกระตุ้นกิเลสตัณหาให้ออกมาถ้าอยู่กับบ้านกับเมืองนี้เดี๋ยวมันมีอะไรมาคอยกระตุ้นอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นเสื้อผ้าเห็นของใช้ไม่สอยเห็นมือถือรุ่นใหม่ใจมันก็ร้อนวาบขึ้นมาด้วยความอยากแล้วนะพออยากมันก็ต้องดิ้นไปหาซื้อมาไม่มีเงินก็ต้องไปหาเงินมา กานนี่จะไปฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็มูแต่คอยหาเงินก็เลยไม่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดกันมีแต่กระตุ้นการเกิดแก่เจ็บตายให้มีมากขึ้นไปเพราะความอยากนี่แหละมันจะพาให้เราไปเกิดกันอยู่เรื่อยๆพอตายไป ก, ก็อยากจะไปเกิดใหม่เพื่อจะได้ไป ไ, ไปทาอะไรแบบที่เรากำลังทำกันอยู่ตอนนี้ต่อนั่นเองอ น, นี่คือ เรื่องของจิตใจของพวกเราจะขึ้นสูงหรือจะลงต่ำจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายหรือจะอยู่ต่อไปในกองทุกข์นี้ก็อยู่ที่เราได้ไปพบกับบุคคลที่จะสามารถดึงเราให้ออกออกจากกองทุกข์นี้ได้หรือไม่บุคคลที่จะดึงเราออกได้ก็มีพระพุทธเจ้ากับพระหลันสาววงธนันพระเลี้ยสงสาวท่านัน ถ้าเราไม่มีรับรองได้ว่าเรายังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปถ้ามีเราก็มีโอกาสมีแล้วก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะจะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างอัตโนมัติเพราะเมื่อมีแล้วก็ยังต้องทําตามที่ท่านสอนซึ่งเป็นของที่มันขัดกับนิสัยของเรานิสัยของพวกเราชอบอยู่กันแบบสุขสบายทางกายทางร่างกาย เราไม่อยากจะอยู่กันแบบอดอยากขาดแคลนแต่การที่จะหลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้นี้เราต้องอยู่แบบเดินตายอยู่แบบอดอยากขาดแคลนอยู่แบบนอนกรบดินกินกระสายอดมือกิกนมืออะไรอย่างนี้ถึงจะสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้หลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ เราก็ต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินตายท่านอยู่แบบใดเราก็อยู่แบบท่านท่านเป็นผู้นำผู้สอนเราถ้าเราไม่มีคนนำเราก็จะไม่มีกำลังใจที่จะทำเองนอกจากเราเป็นพวกที่มีมีบุญเก่าอยู่ที่เห็นคุณค่าของการอยู่แบบเดินตายเห็นคุณค่าของการอยู่แบบนอนกับดินกินกับทรายก็จะกล้าทำด้วยตนเอง ถ้าเป็นพวกที่ไม่เห็นคุณค่าไม่รู้คุณค่าก็จะต้องรอให้คนที่มีผู้รู้มีคุณค่ามาเป็นผู้นำทางไปดังนั้นถ้าเราอยากจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราทำเองไม่ได้เราก็ต้องไปหาผู้สอนไปหาพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในที่กันดาน์กัน ก็หาได้ไม่ยากถามกันพวกนี้ความรู้เหล่านี้มีอยู่เหมือนของที่เราหาในตลาดอินเทอร์เน็ตนี้อยากจะซื้ออะไรนี่เราหาในมือถือได้ทุกชนิดไม่ใช่อลองถามอินเทอร์เน็ตดู ว, ว่าพระอริยบุคคลอยู่ที่ไหนมั่งดูดู ว, ว่าจะมีคําตอบไหมอาจจะมีก็ได้อาจจะมีใครสา่สายข้อมูลไว้นนั้นก็ได้อาจจะบอกรายชื่อวัดของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่างๆก็ได้ เราต้องหาที่หาผู้นำหาอาจารย์หาครูมาสั่งสอนและถ้าเป็นไปได้ก็ต้องไปอยู่กับท่านเลยแล้วก็จะได้ไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือของลูกเราจำเป็นจะต้องมีผู้นำผู้สั่งผู้สอนถึงจะไปในทางที่ดีได้ จะปล่อยให้ไปเองนี่ยากมีบ้างน้อยคนเช่นพระพุทธเจ้านี้ไปเองได้เพราะท่านได้สะสมพลังของความดีไว้มากที่สามารถที่จะผลักดันให้ท่านไปในแต่ในทางที่ดีได้อย่างทางเดียวอย่างเดีย ว, ยยวไม่ไปในทางที่ชั่วเลยนอกกนั้นแล้วต้องมีผู้นำผู้สอน ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังวันในวันนี้ไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาเลวหาปุราปาลิปุเรนติสาคหลังเอวเมวะิตุทินังเปตานังอุปกาปติยิชิตังปัธิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจโตุสัพเพปุเรนตุสังกปา ยันโทปนนาราโสยถามณิโชติหราโสยถาสัพิติโยวิวาชันโตสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวะตวันตรายอสุขีทีขายุโกภวะ อพ e ิวาทนสิ tea, his his friends, ีิตสานิจางุธาปจายโนจตารโหธรมมวทานติอายุวโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่จากทาง Facebook 3 9ร YouTube 1 6 วิทยวออนไลน์วันนี้ส่งสัญญาณเสียงไม่ได้ค่ะรับฟังบนเขาสี่สิบเก้ารวมหกร้อยแปดค่ะห0 8้อยแปดมีใครอยากจะถามอะไรไหมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอโอกาสถามค่ะเรื่องไปปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ที่พระอาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่ค่ะ ที่นี้เคยไปเซริร์ชใน Google ก็จะบอกเรื่องบอกชื่อวัดอะไรก็ไปมาแล้วสองสำวัดแต่ก็รู้สึกไม่ไม่เดินตายเท่าไหร่ก็<ข> <c oughs> ต้อง <c oughs> ลองไปเรื่ย <c oughs> อยๆครูบาอาจารย์แต่ละรูปท่านก็กว่าจะพบอาจารย์ที่เหมาะสมกับท่านท่านก็ต้องไปอยู่หลายลายสำนักอยู่เหมือนกันดันั้นก็ต้องไปลองผิดลองถูกดู คือบางทีครูบาอาจารย์ท่านดีแต่เราอาจจะไม่ดีกับท่านก็ได้คือปักแบบมันคนละแบบกันปักกลมกับปักเลี่ยมบางทีมันก็ใช้ด้วยกันไม่ได้งั้นก็ถ้าตรงนี้ไม่ถูกกับเราเราก็ต้องไปหาที่หนึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่พอมาฟังพระอาจารย์สั่งสอนแล้วรู้สึกถูกแต่ปรากฏที่นี่ไม่มีอะค่ ะ, ะก็ไปหาที่เเดี๋ยวนี้ เดีายวนี้ก็สั่งสอนอยู่ทั้งที่ไหนก็กเรียนได้ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้เราก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วได้คนสั่งสอนแล้วทีนี้เราก็ไปหาที่ของเราสิบางคนก็ไปปลูกบ้านอยู่เองปลูกกุิอยู่เองบางคนก็ไปหาวัดที่ไกลๆเงียบๆแล้วก็ไปอยู่แล้วก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์ค่ะได้ คือเวลาเราปฏิบัติเราไม่ต้องไปบอกใครว่าเราปฏิบัติตามใครแล้วถึงแม้เราจะไปอยู่วัดวัดเขาสอนในวิธีหนึ่งเวลาเขาปฏิบัติเราก็ทำตามที่เขาสอนไปแต่เวลาเราไปปฏิบัติของเราเราก็ไปไปเราก็ไปปฏิบัติของเรามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกลับขอพบพระคุณครับพระอาจารย์ไม่มีไม่มีก็เอาทางบ้าน คำถามจากคุณสุภเลอุปเค่กับเรียนถามพระอาจารย์ครับคำว่าวิตกวิจารในฌานหนึ่งแปลว่าอะไรครับคำว่าวิตกแปลว่าตรึกคำว่าวิจารแปลว่าตรองตึกตรองคือเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆใจเรายังตรึกยังตรองอยู่ตึกตรองอยู่กับอะไรอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธเนี่ย เวลาเราพุทโธพุทโธนี่แสดงว่าเรายังเปิดอยู่ตึกก็นึกตรองก็รู้ว่ากำลังกาลังนึกอยู่อะไรอยู่ติกตรองนั้นก็ฉนยังคือถ้าเราไม่ติกตรองเดี๋ยวเราไม่พุทโธเราก็จะไม่รู้ออเราไม่ได้พุทโธแล้วนี่ว่าใช่ไหมเราก็ติกตรองไปก่อนพอติกตรองไปต่อไปจิตมันสงบเราก็หยุดติกตรองก็ได้ ให้ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆศักแต่ว่ารู้ไปจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้จากตึกตรองก็อาจจะมาดูมาดูลมหายใจก็ได้หรือบางทีถ้าใช้พุโทโธนี่บางทีจากตึกตรองพอมันหยุดตึกตรองมันก็ลงไปสู่ฌานสี่เลย มันรวมวุบตกหนุมตกบ่อลงไปเข้าสู่ชานสี่ไปเลยบางทีไม่ต้องผ่านสองสามผ่านแบบพุทธเดียวไปเลยปิติอาจจะไม่เกิดเลยไม่ถึงเข้าอุเบกขาไปเลยสัตวารู้เป็นอารมณ์เดียวเลยแต่ถ้าดูลมนี่มันอาจจะค่อยๆเข้าไปทีละขั้นทีละขั้นอลัก ต, ตรองเนี่ยอนาปนสติเนี่ยที่ ท่านแสดงนี่ท่านแสดงว่าจะเป็นฌานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามไปตึกตรองก็คือดูลมฮะดูลมก็นึกถึงลมก็เลยกว่ตึกตรองก็รู้ว่าลมเข้าหรือลมออกเนี่ยนึกตึกตรองคือตัวให้คิดตัวใหอยู่อ่าให้อยู่กับลมอย่างเดียวไม่ไปคิดปรุงแต่งกับเรื่องอื่นให้ตตรองอยู่กับเรื่องเดียวอืให้วิตกวิจารณ์อยู่กับลมอย่างเดียวอื คำถามจากทางไลน์ค่ะกระผมไม่เรื่องจะสอบถามสองข้อดังนี้ครับข้อแรกตั้งแต่กระผมเริ่มนั่งสมาธิก่อนนอนกําหนดบริกรรมพุโทโธพออยู่ระหว่างวันก็จะพยายามบริกรรมพุโทโธตลอดนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ ด, ดังกล่าวกระผมมีความรู้สึกว่านอนฝันทุกคืนไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุใดและเราควรจะแก้หรือไม่อย่างไรครับอเรื่องของความฝันนี้เราไปแก้ไม่ได้ พอเวลานอนหลับเราไม่มีสติคอยกบกับใจความฝันมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมเรื่องของผลบุญผลบาปที่เราทำกันไว้พอเวลานอนหลับมันไม่มีใครมาคุมจิตบุญกรรมก็เลยมาเป็นผู้อถักดแบบันงนั้นแก้ไม่ได้แก้ได้ก็ตอนตอนที่เราตื่นถ้าฝันไม่ดีเราก็พยายามทำความดีไปเรื่อยๆอย่าไปทาบาป แล้วต่อไปก็จะฝันดีไม่ฝันร้ายถ้าไม่อยากจะฝันก็ต้องฝึกสมาธิฝึกสติหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆถ้าหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆจะไม่ค่อยฝันนท่าไเวลานอนหลับก็จะไม่ค่อยฝันเพราะั้นอ ย, อยู่อยู่ที่การฝึกฝนอบรมจิตใจเราตอนที่เราตื่นแต่ตอนที่เรานอนหลับนี้เป็นช่วงที่เราปล่อยให้มันไปรับรับอัญมณ์ของของการกระทาของเรา เหมือนตอนที่เราตายก็เหมือนกันตอนที่เราตายกับตอนที่เรานอ น, นหลับนี่เหมือนกันไม่มีร่างกายไม่ได้ใช้ร่างกายเหมือนกันตอนนั้นจิตของเรามันก็จะฝันดีฝันร้ายฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์ฝันร้ายก็เรียกว่าบายฝันเป็นเปรฝันเป็นผีฝันย้อนอยู่ในนรกเนี่ คือฝันฝันว่านารกก็คือมีแต่เรื่องวุ่นวายเช่นไปอยู่ทำการสงครามการกลางเมืองอย่างเนี้ยเหมือนกันไปอยู่ในนรกเนี่ยเวลานอนหลับมันเ ร, เราไม่รู้ว่าเราอยู่ในนรกหรอกเราจะฝันว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่โหดร้ายทารุณต่างๆถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวมันก็เป็นอสุรกายถ้าอยู่ในเหตุการณ์ที่โอดอยากขาดแคลนแล่นแคลนหิวโหยก็เปรดเย่างนี้ ถ้ามีร่างกายของเดรัจฉานก็เป็นเดรัจฉานไปนี่อั น, นิสงส์ของการทำบาปเวลาตายไปแล้วนี่ไม่สามารถไปควบคุมบังคับตอนนี้เราอยู่นี่ยังควบคุมบังคับมันได้แต่เวลาหลับนี่ควบคุมบังคับไม่ได้มันจะฝันร้ายทันทีถ้ามันทำบาปถ้าทำดีมันก็จะฝันดีทันที ข้อสุดท้ายตั้งแต่ปฏิบัติดังกล่าวกระผมเริ่มมีความรู้สึกเบื่อกับร่างกายตัวเองรู้สึกว่าทำไมร่างกายมันเป็นสิ่งที่อึดอัดไม่มีความสุขกับร่างกายเ่านี้เลยอย่างนี้จะมีผลอย่างไรหรือไม่ครับและผมควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปก็ปฏิบัติเพื่ออย่าไปมีร่างกายถ้ารู้ว่ามีแล้วไม่ดีก็พยายาม อย่าไปมีร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายวิธีที่จะไม่มีร่างกายไม่ใช้ร่างกายก็ต้องตัดความอยากทางกามทางตาหูจมูกลิ้นกายลงไปอย่าอยากดูอยากฟังอยากกินอยากลิ้มรสนมกลิ่นถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่มันก็ยังต้องมีร่างกายอยู่เหมือนถ้าถ้าเบื่อกับการที่มีรถยนต์ที่ต้องคอย ภาวะผัววนกับการซ่อมแซมการเติมน้ำมันเติมลมเติมน้ำจ่ายค่าประกันก็อย่าไปใช้รถยนต์ใช้ BTS แทนหรใช้แท็กซี่แทนไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องมาคอยกังวลกับรถไม่ต้องมีรถรถที่มีก็ขายทิ้งไปได้ อันนี้ก็เหมือนกันถ้าแต่ถ้าเรายังต้องใช้รถอยู่มันก็ต้องมีเรื่องกังวลต่างๆตามมาถ้าเรายัางต้องใช้ร่างกายหาความสุขอยู่มันก็ต้องมีร่างกายอยู่เรื่อยถ้าไม่อยากจะมีร่างกายก็อย่าไปใช้มันเลยไปนั่งสมาธิแทนเวลาอยากจะดื่มกาแฟาก็นั่งสมาธิเวลาอยากจะดูหนงังดูละครก็นั่งสมาธิเวลาอยากจะไปเที่ยวก็นั่งสมาธิ อ่านี้ต ไ, ไ, ตไคำถามาทางเฟซบุ๊กจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกระผมได้เห็นธรรมะจากแหล่งหนึ่งระบุว่าถ้าลูกเป็นพระอรหันต์แล้วสามารถปิดประตูนรกให้กับพ่อแม่ได้ได้ทั้งพ่อแม่ในอดีตชาติด้วยจริงไหมครับจริงแต่ต้องปิดด้วยการสอนไม่ใช่ปิดโดยอัตโนมัติก็ได้ไหไม่ใช่ว่าพอลูกเป็นพระ อ, อริยะแล้วพ่อแม่ก็ก็ ก็เป็นปิดอบายได้ไม่ใช่ต้องสอนพ่อแม่ว่าอย่าทำบาปต้องเป็นบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นไปถึงจะปิดประตูอบายได้อย่างถาวรเพราะว่าพระอริยนี้เห็นเห็นเห็นวิบากของการกระทำบาปเห็นว่าจิตที่ทำบาปจะต้องไปตกในอบายเหมือนกับเราเห็นว่าถ้าทำผิดกฎหมายต้องติดคุกนี่เราไม่กล้าทำผิดกฎหมายกันใช่ไหอฉันใด ตอนนี้พวกเรามองไม่เห็นคุกเข็นตารางกันไม่เห็นอบายกันไม่รู้ว่าอบายนี้เป็นอะไรมาเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนเป็นพระอริยบุคคลแล้วจะมีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าการกระทําบาปนี้จะนําไปสู่การไปเกิดในอบายเี่ยพระพุทธเจ้าก็ไปสอนแม่ที่ตายไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วนะฮะเป็นนะก็ไปสอนในสวรรค์แม่ไปเกิดในสวรรค์สอนจนบรรลุเป็นพระสวัสดิบาลพ่อก็สอนจนบรรลุเป็นพระอรหันตอนเจ็ดวันก่อนตายอก็ปิดประตูบายเพราะเป็นพระอริยบุคคลกันทั้งหมดเนี่ยแต่ต้องสอนและต้อง แล้วต้องฟังคนฟังก็ต้องฟังแล้วปฏิบัติฟังเฉยๆแบบทัพพีในหม้อแกงก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคือฟังแล้วก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปอย่างเช่นวันนี้ฟังเสร็จแล้วพอไปก็เลอะหมดแนละ้วไม่รู้ว่าฟังอะไรมาบ้างไม่นำเอาไปปฏิบัติเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างนี้ฟังแบบนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฟังแล้วต้องเอาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติไปหยุดทําบาปปุ๊บนี่ปิดประตูบายได้ทันทีค่ะคำถามจะพูดประสองค์ออกนามอีกท่านหนึ่งค่ะเรื่องการทําบุญการให้เงินพ่อแม่ถือเป็นการทําบุญทําทานเราสามารถอุทิศบุญให้ผู้อื่นได้แต่การให้เืินผู้อื่นเช่นใส่ซองช่วยงานแต่งงานตามมารยาททางสังคมหรือใส่ซองช่วยงานศพถือเป็นบุญที่เราสามารถอุทิศให้ผู้อื่นที่เสียชีวิตได้หรือไม่ครับ มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราให้โดยที่เร า, เ, าเราเกิดความสุขใจอิ่มใจหรือเปล่าถ้าให้โดยความไม่รู้สึกสุขใจอิ่มใจมันก็ไม่เกิดบุญเหมือนให้ใจ่ายค่าภาษีนี่สุขใจอิ่มใจหรือเปล่าถูกบังคับให้ใจ่ายงานศพงานแต่งงานบางทีก็ถูกบังคับให้ใจ่ายเหมือนกันให้ทำไม่ได้ทำด้วยออกมาจากใจที่อยากจะทำ ก็เลยจะไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่อาจจะได้บ้างแต่คิดว่ามันมันเป็นเรื่องของภาษีเรื่องของการถูกบังคับหรือเรื่องของการตอบแทนบุญคนเดี๋ยวเราไม่ทำงานเขาเดี๋ยวงานเราเขาไม่มาทำก็ก็จะกลัวน้อยหน้าใช่ไห ม, มันทีจัดงานแต่งงานแล้วมีคนมาแค่สองสามคนนี่มันหน่องเหลงเหลือเกินก็พ่าเปรำไปงานเขาเราไม่เคยใส่สองให้เขาเลย พอถึงงานเราเขาก็ไม่มาใ้เสียเวลาอันนี้ก็อาจจะถ้าอย่างนี้มันไม่ได้เป็นการทําบุญะมันเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนการไปซื้อสินค้าเราก็จ่ายเงินที่ร้านใช่ไหมให้เงินเข้าไปเขาก็ให้ของเรามาอย่างนี้ไม่เป็นบุญมีการแลกเปลี่ยนกัน เป็นบุญต้องให้อย่างเดียวให้โดยไม่หวังอะไรเป็นการตอบแทนถึงแม้ว่าจะให้เป็นการทดแานบุญคนก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปรับของที่เราให้จากคนที่เราให้เขาให้เรามาแล้วเราอยากจะแสดงความกตัญญูกตวเวทีแล้วก็ให้เขาไปถ้าให้แบบนี้ได้อยู่แต่อย่าให้แบบยื่นหมูยื่นหมูยื่นแมวกันแบบลักษณะแลกเปลี่ยนกัน แต่ถ้าเราให้เขาแล้วเขามีอะไรอยากจะให้เรากลับมารับได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเราไม่ได้เป็นคนไปบอกไปขอต้องให้ทถ้าให้เงินคุณนะคุณจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราย่านี้ไม่ได้เป็นบุญให้โดยที่ไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนแต่ผู้ผู้รับอาจจะมีความเมตตามีของดีมาสมาแจกมาฝากก็รับไว้ได้อย่างนี้ไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยน เป็นการต่างฝ่ายต่างทำบุญกันพูดง่ายๆเราทำบุญกับเขาเขาก็อยากจะทำบุญกับเรากับเพราะไม่มีใครเป็นคนบังคับไม่มีคนใครมาสั่งให้ทำแบบนั้นทำแบบนี้ทำด้วยความสมัครใจความทำด้วยความพอใจออถึงจะได้บุญคำถามสัชชังจากคุณเชอรี่บอสซอม ขอโอกาสเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องอภัยทานหากมีคนมาสร้างความเดือดร้อนให้เราเช่นจี้ปล้นข่มขืนวางเพลิงเผาซับเราควรปล่อยวางและให้อภัยทางใครทางมันเพราะเราคงได้ทำกรรมแบบนี้มาก่อนต้องยอมรับความเสียหายนี้ไว้หรือเราควรต้องดำเนินคดีให้ติดคุกเพราะเป็นภัยสังคมเขาไปทำกับคนอื่นต่อหรือกลับมาทำร้ายเราอีกแต่ถ้าฟ้องร้องจะเป็นการจองเวรกันต่อไปไหมคะควรทำอย่างไรจึง ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาก็เฉยๆไปถ้าเราไปทำอะไรมันก็เดี๋ยวก็เป็นเวรเป็นกรรมกันขึ้นใหม่ถ้าเราไปฟ้องร้องเดี๋ยวก็ไปติดคุกติดตารางออกมาจากคุกเดี๋ยวก็มาเผาบ้านเอาใหม่ แต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาแต่ว่าเป็นอุอบัติเหตุอุบัติภัยไปหรือว่าเป็นการใช้กรรมไปแต่เราไม่ไปสร้างเวร เ, เวลาโหนตุเนี่ยไม่จองเวรจองกรรมกันถึงจะ ถ, งถึงจะหมดเวรหมดกรรมกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ถ้าไม่ต้องการมีเวรมีกรรมก็อย่าไปจองเวรจองกรรมใครทำอะไรก็คิดว่าเป็นการใช้เวรไปก็แล้วกัน mm hmm. เราเคยทำอะไรมาในอดีตที่เราไม่รู้ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องรับใช้มันก็รับใช้ไปแต่เราะไปสร้างเวรใหม่ mm hmm. คำถามจากคุณชานชัยขณะที่เรานั่งสมาธิและบริกรรมพุโทโธอยู่นั้นเราควรคิดถึงอะไรครับก็คิดพุดโทโธโดยไปคิดอะไรเลยไม่้พิคิดเรื่องอื่นให้คิดแต่พุโทโธอย่างเดียวอพอไปคิดเรื่องอื่นนี่ก็ไม่ได้บริกรรมพุโทโธแล้วจะจิตเป็นสองแล้วเราต้องการให้จิตเป็นหนึ่ง ให้คิดอยู่เรื่องเดียวคือพุโทโธพุโทโธไปแต่ตอนต้นมันยังมันยังไปคิดอยู่เพราะว่ามันยังเอยคิดอยู่ตอนต้นมันจะแข่งกันเราพุโทโธไปบางทีเดี๋ยวมันก็คิดถึงกระเป๋าบงางทีก็คิดถึงกาแฟบางทีก็คิดถึงขนมคิดถึงลูกคิดถึงแฟนแต่เราก็อย่าไปสนใจพุโทโธพุโทโธไปเพราะเหมือนกับรถไฟกําลังสับรางไงตอนจับรางนี่มันยังไม่ได้สับแบบทันทีทันใดมันก็ค่อยๆสับไป คันแกคคันแรกก็ไปรางใหม่แต่คันหลังมันยังอยู่ลางเก่าอยู่ก็ค่อยดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆพุทธโทรไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไปทั้งทั้งขบวนเองแต่ตอนต้นนี้มันยังจะปนกันอยู่พุทโทไปก็คิดอ้นั้นไอ้นี่ไปควบคู่กันไปแต่ก็อย่าไปสนใจอย่าหยุดพุทธโทก็แล้วกันต่อไปพุทโทมันจะดึงเราไปสู่ความสงบต่อไปอดีพี่สาวหนูค่ะเขา ไม่กล้า <Okay. S 1> ถามขวัถามเองขวัถามแทนให้ก็คือว่าพี่สาวหนูค่ะดูแลคุณแม่แล้วก็ส่งเงินให้แม่ใช้ทุกเดือนเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็คือเหมือนกับสรุปก็คือว่าให้แม่หลักหมื่นทําบุญหลักร้อยแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าอยากจะ อยากจะทราบว่าเขาได้ทํา บ, บุญน้อยใช่ไหมไม่น้อยทําบุญกับแม่ก็ได้บุญเหมือนกันทําบุญกับพ่ออหานพ่อแม่เป็นพ่าอารานของลูกๆทําบุญกับพ่อแม่นี้ก็ถือว่าได้ทําบุญกับพ่ออหานนะ ในบุญมากเพราะไม่มีใครมีบุญคุณให้กับเราเท่ากับพ่อแม่เร า, า, า, าเน้นทาไปเถอะสาธุสาธาาุไม่ต้องมาทำบุญกับผ้าหลานนอกบ้านก่อนจะไปทำบุญกับผ้าหลานนอกบ้านไปทาอย่าลืมผ้าหลานในบ้านก่อนบางคนลืมผ้าหลานในบ้านมัวแต่ไปทำกับผ้าหลานนอกบ้านไว้ให้ผ้าหลานในบ้านอยู่แบบอดอยากขาดแคลนอันนี้ไม่ถูกต้องอ ต้องทำบุญกับผ้าหลังในบ้านก่อนนะครับขนาดพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ายังไปทำบุญกับแม่เลยไปสอนแม่ที่สวรรค์ชั้นดาวปรเดึงเลยสอนพ่อในวังตอนที่ท่านตายอันนี้ก็ทำบุญเหมือนกันการทำบุญมีหลายระดับทำบุญด้วยการทำทานทำบุญด้วยการสอนธรรมะเรามีอะไรเราก็ทำแบบนั้นเรามีเงินเราก็ทำด้วยเงินเรามีธรรมะเราก็ทาด้วยธรรมะไป แล้วก็ต้องอยู่ที่คนรับด้วยว่าเขารับอะไรได้ถ้าเขารับธรร ม, มะไม่ได้เขารับได้แต่เงินก็ต้องให้เงินเขาไปก่อนแต่ถ้าเขารับเงินรับธรร ม, มะได้เขาไม่ต้องการเงินก็ไม่ต้องให้เงินอย่างพอพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องการเงินต้องการธรรมะนั้นก <off> ็ให้ธรรมะไปดังนั้นก็ต้องดูฐานะของคนรับด้วยว่าเขาต้องการรับเขารับอะไรได้ไปให้ในสิ่งที่เขารับไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะใด เข้าใจยังทำไปเถอะพ่อแม่นี่เป็นสุดสุดของเราไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเราเข้าใจไหมแล้วทุกวันนี้ที่เราอยู่มาได้นี่พ่อมีพ่อมีอมแม่กันถ้าพ่อแม่ไม่มีแต่ไม่เลี้ยงดูเราจับเรากดน้ำเราก็จบแล้วหอยู่ในท้องไม่อยากให้คลอดออกมาก็ไปทำแท้งเราก็ไม่มีวันที่จะเกิดได้พ่อแม่ท่านเสียสละให้กับเรามาก ตั้งแต่อยู่ในท้องเราท่านก็เหนื่อยแล้วต้องแบกภาระเราเลี้ยงดูเราในท้องต้องมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจากการตั้งท้องใช่หไหมจะไปเที่ยวไหนมาไหนเหมือนเมื่อก่อนก็ไปไม่ได้แะจะไปทําอะไรต่างๆก็ทําไม่ได้ต้องต้องดูแลเราที่อยู่ในท้องให้ปลอดภัยแล้วพอออกมาปั๊บก็ต้องเลี้ยงดูตั้งแต่วันแรก แล้วต้องมาตื่นแต่ดึกบางทีนอนปั๊บเดียวเดี๋ยวก็ร้องอีกแล้วร้องปวดฉี่เดี๋ยวล้องหิวนมไม่ยอมหยุดร้องพ่อแม่นอนก็ต้องลุกขึ้นมาถามดูว่ามันต้องการอะไรวะ <c oughs> ใช่เออจนการมันจะหยุดร้องอะ่ะก็ถึงว่าใช้ได้ก็กลับไปนอนต่อเดี๋ยวนอนได้แค่สองชั่วโมงมาอีกแล้วออเออนี่คือบุญคุณของพ่อแม่ที่เราไม่คิดกันเราไม่รู้หรอกถ้าเราไม่เป็นพ่อแม่เอง พอเรามาเป็นพ่อแม่เองแล้วเราถึงจะรู้ว่าโอ้โหพ่อแม่ของเรานี่เหนเหนื่อยเมื่อร้ายกับการเลี้ยงดูเรามามากน้อยเพียงไร เ, เราตอบแทนบุญคุณท่านได้แค่ไหนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าต่อให้เราเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีที่สุดแบกท่านไว้บนบ่าบนไหลให้ท่านอุจจระปัสศาวะใสเราไปจนวันตายบุญคุณที่เราตอบแทนท่านก็ยังไม่หมด แต่หมดก็ต้องสอนให้ท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันนะให้ท่านพ้นอบัยอันนั้นถึงจะถือว่าได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างหมดสิ้นอย่างพระพุทธเจ้าได้ทํากับพ่อแม่ท่านสอนให้หลุดพ้นจากอบายสอนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอต่อไปมีอีกไหมไม่มีส่งไม้กลับคืนไป มีคําถามอีกไหมนี่ยังไม่มีมีค่ ะ, ะ, ะถามต่อคําถามจากทาง Facebook คุณลุงที่ว่าเวลาที่ลูกนั่งสมาธิแล้วเวลานอนฝันเห็นแต่พระฝันเห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันหมายถึงอะไรเจ้าคะ้าใจเราคิดถึงเรื่องเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆไงมันก็ฝังอยู่ในใจเราพอนอนหลับมันก็คิดอยู่เั้นต่อถ้าเราคิดแต่เรื่องม uh ูแฮมไข่ดาวมันนอนหลับมันก็ <laughs> มันก็จะฝันในเรื่องม uh ูแฮมไข่ดาวเลยนะ เราคิดอะไรอยู่ในใจตอนตื่นเวลานอนหลับมันก็มักจะคิดถึงเรื่องเรื่องเหล่านั้นไปคำถามจากทางไลน์ค่ะกาเบรียถามพระอาจารย์เจ้าค่ะกามังเรียนปริญญาโท มีเพื่อนในห้องมักเป่าหูเพื่อนๆในเรื่องไม่ควรทําให้เกิดความระแมระแวงไม่รักกันแต่ความสามัคคีโดยนําชื่ออ า, อาจารย์หลายท่านมาอ้างเราทราบมาตลอดและพยายามไม่ไปยุ่งเกี่ยวจนเราก็ถูกเขาใส่ร้ายกั่นแกล้งเราไม่โต้อตอบเพราะคิดว่ากฎแห่งกรรมมีจริงมาวันหนึ่งมีบางคนที่ถูกกลั่นแกล้งทนไม่ไหวไปคุยกับอาจารย์และอาจารย์ก็ทราบว่าเราก็โดนแกล้งด้วยจึงขอให้เราไปพูดในส่วนของเราโดยอาจารย์บอกว่าจะยอมให้คน เช่นนี้จบสถาบันนี้ไม่ได้ถือเป็นความผิดร้ายแรงสำหรับนักศืกอาะระดับนี้ขณะนี้มีความทุกข์ใจมากค่ะเพราะถ้าเราพูดออกไปจะทำให้เขาเสียโอกาสดีๆไปพูดแล้วเพื่อนจะแคน์ไหมแต่ถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือกับอาจารย์อาจารย์จะเกลียดเราไหมจะกระทบผลเกรดของลูกไหมลูกทุกข์มากเลยเจ้าค่ะก็ทาอะไรมันก็ต้องมีผลตามมานะละ งั้นก่อนจะทําอะไรคิดให้รอบครอบก่อนว่าเราพร้อมที่จะรับผลของการกระทําของเราหรือไม่อาจจะมีทั้งผลดีและผลเสีย เ, เราพร้อมที่จะรับมันหรือไม่ผลดีเราผลดีเรายินดีแต่ผลเสียเรายินดีหรือไม่เพราะบางทีมันมาด้วยกันอถ้าเราไม่ยินดีก็อย่าไปพูด อ, อถ้าพร้อมที่จะรับ ทั้งผลดีผลเสียก็พูดไปผลดีก็คือกาจัดคนที่ไม่ดีผลเสียก็คือจะถูกคนไม่ดีมาจองเวรจองกรรมอันนี้ก็อยู่ที่เรา คนเราเป็นคนพูดเนี่ยเราเป็นคนกระทําเราก็ลองรับผลของการกระทําคนที่ก็คนอื่นเกาไม่พูดเขาก็ไม่โดนใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องไปพูดนะคนอื่นเขาไม่พูดได้ทําไมเราเราทำไมเราต้องไปเป็น ไ, ไม่เหมือนคนอื่นเขาก็ทําเป็นเหมือนคนคนอื่นไปไม่ได้เหลอ ถ้าเราไม่อยากจะรับผลแต่ถ้าเราไม่กลัวผลเราเป็นคนแบบว่าตรงฉินยอมตายอันนี้ก็พูดไปเพื่อสังคมจะได้สะอาดจะได้เจริญก้าวหน้าก็พูดไปอันนี้มันเรื่องของแต่ละคนเมื่อกี้จะมาถามปัญหาหรือเปล่าอยากจะถามใช่หมเดี๋ยวจะส่งไม้ไปให้เดี๋ยวพูดใกล้ๆปากหอยนะจะได้เสียงจะได้ยิน การนพิธีการพระอาจารย์ค่ะอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าต้องปฏิบัติเข้มข้นในระดับไหนถึงจะถึงจะ ถ, ถึงสวัสดิบันภายในชา่วโมงเต็มร้อยเนี่ยต้องเต็มรอ้ อ, รอยก็เรียนหนังสือก็ต้องไปเรียนเต็มร้อยเรียนห้าวันเนยไม่ใช่เรียนสามวันอีกสองวันไม่ไปเรียนนี้มันก็ไม่ได้เดี๋ยวเวลาสอบก็สอบตก ขออีกคำถามนึงนะคะโยมปฏิบัติในการทําสมาธออิอยู่ที่บ้านหรือว่าก็ออกไปตามแบบครูบาอาจารย์เข้ากรรมาฐานในในเป็นบางช่วงอะคะ่ะแต่ปฏิบัติอยู่บ้านนี้ตั้งกําหนดว่าทําวิปัสสนาวันละสี่นาทีทุกวันต่อเนื่องแต่โยมมีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนวังวนมันจมมันไม่ไปไหนอย่างเงี้ยค่ะมันน้อยไปไง มันเพียงแต่เป็นชิมลางเหมือนกับยังดูหนังตัวอย่างอยู่ยังไม่ได้ดูดหนังจริงยังไม่ได้ขึ้นเวทีถ้าเป็นนักมวยก็ชกกระสอบใจอยู่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีขึ้นเวทีก็ต้องไปโกนหัวอยู่วัดเลยอย่างนี้โยมต้องเพิ่มเวลาในการทำสมาธิหรอือเปเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปจกนกระทั่งได้เต็มร้อยแล้วมันก็จะรู้ว่าพร้อมที่จะไปอยู่วัดไปไปบวชชีได้ ไปปฏิบัติได้เมื่อก่อนเราก็ทำอย่างเนี้เริ่มต้นเราก็ทำที่บ้านไปก่อน <Okay. S 1> แต่เราทำแบบเต็มร้อยตั้งแต่อยู่ที่บ้านเลยเ่าออกจากงานไปเลย mm hmm. ลอยู่ที่บ้านทำมันทั้งวันทั้งคืน mm hmm. พอทำได้ปีหนึ่งก็รู้ว่าไปอยู่วัดได้ก็ไปบวชเลยกขอบพคุณค่ะ น, ะนะ อย่าไปกลัวไม่เป็นไรยิ่งทํายิ่งมากยิ่งดียิ่งมีความสงบยิ่งมีความสุขมากการปฏิบัตินี้ไม่มีโทษมีแต่คุณไอ้ที่เป็นโทษเพราะปฏิบัติมันน้อยทําให้กิเลสมันยังมีช่องมาเหยียบยำ่ทำทําสร้างความทุกข์ให้กับเราะแต่ถ้าเราปฏิบัติเต็มร้อยนี้กิเลสจะไม่ค่อยมีช่องว่างที่จะมาคอยมาเบียดเบียนเราใจของเราก็จะเย็นจะสบายมีความสุขไปเรื่อยๆะ ถ้าจะมาทางนี้ควรจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เลยอย่าเอาแบบเอาแบบรักพี่เสียดายน้องยังอยากจะไปเที่ยวยังอยากจะดูละคร อ, อยู่แต่ยังอยากจะนั่งสมาธิอยู่มันก็อย่างนี้แหละมันก็เลยวนไปวนมาอยู่ในอ่างนะ คำถามจากทางไลน์ค่ะขออนุญาตถามคำถามครับถ้าบ้านเรามีอาวุธปืนถูกกฎหมายและมีวันหนึ่งโจนขึ้นบ้านและจะทำร้ายเราและเราไม่มีทางหนีอื่นถ้าเราป้องกันตัวโดยใช้ปืนยิงโจนบาดเจ็บหรือตายเราจะบาปและตกนรกหรือเปล่าครับถ้าทำผิดทางที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรครับถึงจะถูกต้องไม่บาปก็ยิงให้เขาบาดเจ็บสิ ยิงแข้งยิงคขาอย่าไปยิงให้เขาตายตัดกําลังเขาออย่างนี้ก็ไม่บาปเอไม่ถึงกับฆ่าไม่ได้ปานาติบาตใช่ไหมแต่ถ้าฆ่าเพื่อป้องกันตัวเพราะกลัวเขาจะมาทําเราอันนี้ก็จะไปเป็นกสุตกายไม่ได้ไปนรกทําบาปด้วยความกลัวเอ ถ้าทำบาปด้วยความโลภเช่นไปโลภอยากได้เงินเข้าไปป้นไปจี้เขาอย่างนี้เราไปฆ่าเขาเนี่ก็จะไปเป็นเปรตแต่ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นเนี่ยฟันต่อฟันตาต่อตาอย่างนี้อันนี้ก็จะไปนรก คำถามจากคุณอันนบผมมีเรื่องที่อยากได้คำตอบจากค่ณ อ, อาจารย์ครับผมเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่เลิกกันแล้วแม่ไปเป็นเมียน้อยกับแฟนเก่าของแกที่คบกันตอนวัยรุ่นผมเห็นแล้วรู้สึกสงสารอยากบวชเหลือเกินแต่แม่ไม่เคยยอมให้ผมบวชพูดเรื่องบวชทีไรทะเลาะ ก, กันทุกทีผมควรจะทำอย่างไรครับผมอยากบวชเหลือเกินอยู่บ้านทุกวันทุกวันยิ่งทาให้รู้สึกเบื่อหน่ายท้งโลกเหลือเกินก็ไปบวชส ก็ไปบวชไปอยู่วัดถ้าบวชเป็นผ้าไม่ได้เพราะพ่อแม่แ ม, แม่อนุ ญ, ญาตก็อยู่เป็นผ้าขาวไปก็ได้มันก็เหมือนกันที่นี่มีคนอึ่งลาวจากราชการเป็นระดับในพันเอกแต่ลาวจากราชการแต่ยังมีภาระเกี่ยวข้องกับลูกเมียอยู่นิดหน่อยยังบวชไม่ได้ก็มาอยู่วัดถือศีลแปดทมนั่งนุ่งขาวห่มขา ว, ขาวไปเพราะบางเวลายังต้องไปดูแลลูกเมียอยู่ ก็เลยยังบวชไม่ได้ก็เหมือนก็เหมือนกันไปอยู่วัดที่ปฏิบัติแล้วอย่างบนเขาเนี่ยไม่ว่าพระหรือโยมมาอยู่นี่ปฏิบัติเหมือนกั น, นเวลาพร้อมเท่ากันหมดเวลาตอนเช้าพระไปบิณฑบาตก็ไปช่วยพระหิว้วหิวของก็เหมือนกับบิณฑบาตพอฉันเสร็จพระกลับขึ้นเขาเขาก็กลับขึ้นเขามาก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาศึกษาอ่านหนังสือธรรมปฏิบัติได้ ทำานี้ไปเรื่อยเดี๋ยวพ่อแม่เขาเห็นใจเขาก็อนุญาตให้บวชเองเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราเอาจริงหรือเปล่ปาเท่านั้นเองถ้าเราเอาจริงเดี๋ยวเขาก็สนับสนุนเองนะฮะหรือถ้าอีกวิธีหนึ่งถ้าอยากจะทํามีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีชายคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีลูกชายคนเดียวพ่อแม่ไม่ยอมให้บวชขอบวชไม่ยอมให้บวชเพราะไม่มีใครจะรับมรดกนะก็เลย อดข้าวไม่ยอมกินข้าวจะกินก็ต่อเมื่อได้บวชตอนต้นพ่อแม่นก็พยายามเกลี้ยกล่อมก็ไม่ยอมไปช่วยไปบอกให้เพื่อนมาเกี้ยกล่อมก็ไม่ยอมก็เห็นพอพอ พ, อพ่อแม่รู้ว่าเขาเอาจริงเอาจังยอมตายจริงๆพ่อแม่ก็เลยอนุญาตอยู่ที่เราอ่ะว่าเราจะเอา จ, เอาจริงเอาจังหรือเปล่ากลัวจะไม่เอาจริงเอาจังเป็นบาปชายสามโบหรือเปล่าเบื่อเบื่ออยากอยากหรือเปล่า เวลาเบื่อก็อยากจะบวชพอหายเบื่อก็อยากจะศึกเนี่ยมันเนี้ยจะไปแบบนั้นงนั้นก็ก็ต้องดูใจของเราว่าเราอยากจะบวชมากน้อยถ้าอยากจะบวชมากจริงๆมันมีทางไปเองแหละกลับเรียนถามพระอาจารย์ความเมตตาที่มีมากไปทําให้เราเป็นทุกข์ เช่นเราเมตตาต่อสัตว์พอเขาป่วยหรือเดือดร้อนเราก็อดทุกข์ใจหาทางช่วยเหลือเขาไม่ได้จะวางใจดีอย่างไรเจ้าคะก็เราต้องฝึอกอุเบกขาด้วยสลับกันคือใจนี่มันเหมือนลอ้อยนกนย็างนะ รถยนต์มันก็มีเกียร์ใช่ไหมมีเกียร์เดินหน้าถอยหลังมีเกียร์ต่ำเกียร์สูงใจเราเวลาเจอเหตุการณ์มันก็ต้องใช้เกียร์ต่างกันไปเจอเหตุการณ์บางทีก็ต้องใช้เมตตาบางทีก็ต้องใช้กรุณาบางทีก็ต้องใช้บุดิตาบางทีก็ต้องใช้อุเบกขาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราใช้เมตตามากเกินไปทำให้ใจเราเศร้าเราก็ต้องหยุดแล้วก็ต้องกลับเข้าเกียร์ว่างเกียร์ว่างก็คืออุเบกขาทำใจเฉย ปล่อยให้เป็นกรรมของสัตว์ไป yeah. ทํานนองนี้ yeah. คำถามจากคุณตุ้มจิตจะสงบและมีความสุขเฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิเวลามีอะไรมากระทบก็ยังทุกข์อยู่เราควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปเพื่อให้ได้พบความสุขที่แท้จริงถ้าออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้นี้เป็นอันนี้จังทุกขขังอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เราไปอยากให้มันเป็นอย่าง นันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าเราไม่อยากมันก็จะไม่ทุกข์ดังนั้นเราต้องคอยควบคุมความอยากเห็นใครเ็าทำอะไรดีชั่วก็อย่าไปอยากให้เขาชั่วก็อยากจะให้เขาหยุดดีก็อยากให้เขาทำเดี๋ยวมันก็ทำให้ใจเราวุ่นได้อย่างเมื่อกี้คำถามเห็นเขาทำชั่วก็อยากจะไปหยุดเขาเพราะอยากไปหยุดเขาใจก็เลยวุ่นขึ้นมา แต่ถ้าคิดว่าดีชั่วกับเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราไปเปลี่ยนคนทั้งโลกนี้ได้ไหวหรือคนทั้งโลกเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาก็แล้วกันเราก็จะได้ไม่ไปทุกข์ไม่ไปวุ่นวายใจอยู่ที่ความอยากไว้แลาออกจากสมาธิมาแล้วถ้าปล่อยให้เกิดความอยากแล้วใจก็จะวุ่นขึ้นมาถ้าไม่อยากจะวุ่นก็ต้องใช้ปัญญาใช้ใจรักมาละับความอยาก คำถามสกุลนิชานันทำไมชีวิตที่เคยถึงจุดสูงสุดแล้วทำไมวันหนึ่งถึงตกต่ ำ, ยำแย่ลงมาได้คะทำไมถึงทางตันหาทางออกยากคะก็เหมือนวูเขาอะพอไปถึงสุดยอดเขาแล้วจะไปสูงวันนั้นได้ปะถ้าจะเดินต่อมันก็ต้องมีแต่ลงทางลงนั้นะมันจะไม่มีทางขึ้นน ะ, ะทุกอย่างเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าอนิจจังมีเจริญก็มีเสื่อมเป็นธรรมดา คำถามจากคุณสุรีทิพย์เมื่อสมาธิใหม่ๆเกิดปิติสุขปัจจุบันอาการนั้นหายไปเกิดความว่างขึ้นแทนและเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้นอย่างนี้ถือว่ามาถูกทางหรือไม่ค ะ, ะเนียกว่าเรามีอุเบกขามีความว่างใจเราไม่มีความอยากมากเหมือนเมื่อก่อนอ ก็เลปล่อยให้มันบางทีเหตุการณ์เป็นอะไรก็ปล่อยมันไปไม่มีความอยากที่จะไปยุ่งไปเกี่ยวข้องไปวุ่นวายกับมันใจเราก็สบายขึ้นคำถามสุดท้ายหมดหรือยังอีมสองคำถามค่ะค ำ, คำถามจากคุณไรตะวัน กับเรียนถามพระอาจารย์มีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้พ้นจากรักโลภโกรธหลงครับก็ทานศีลภาวนาทําทานเวล า, า, いい yaz, าโลภอยากได้กระเป๋ารองเท้าก็เอาเงินไปไปทําบุญแทนมันก็ละความโลภได้นะฮะพอไม่มีความโลภมันก็จะไม่โกรธเวลาไม่ได้ซื้อกระเป๋ารองเท้าก็จะไม่โกรธแต่ถ้าคอยซื้ออยู่เรื่อยๆพอไม่ได้ซื้อเมื่อไหร่มันก็จะโกรธขึ้นมาทันทีนะ เหมือนเดิม huh. ข้อสุดท้ายค่ะคําคถามจากคุณแตว๋วอยากถามว่าบวชชีพรามณ์ให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปพ่อแม่ได้รับไหมคะไม่ได้หรอกเพราะเรายัางไม่ได้รับเลยคนบวชยังไม่ได้ผลแล้วจะไปส่งผลให้คนอื่นได้ยังไงถ้าอยากจะส่งผลให้คนอื่นทําบุญทาทานดีกว่าได้รับทันทีถวายสังฆทานเบร์จากเงินให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลกับวัดอะไรนี้ก็ได้ทําปุ๊บก็ได้ผลปั๊บเลยอุทิศได้เลยแต่มาบวช นี่มันยังไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้ผลอะไรเพรียงแต่ได้นุ่งขาวห่วมขาวหรือนุ่งเหลืองห่ ม, ห ม, หมเหลือง น, นั่นเองแต่ใจมันยังเหมือนเดิมกิเลสยังเต็มอยู่ร้อยเปอร์เซ็นจิตยังวุ่นวายอยู่เหมือนเดิมมันยังไม่ได้อะไรเขาถึงไม่นนิยมอุทิศบุญด้วยวิธีนี้เขานิยมอุทิศด้วยการทำทานเพราะมันทำปุ๊บได้ปั๊บเลยพอใจนะ ต่อไปอย่าถามคำถามนี้เลยชอบถามกันเรื่อยนั่งสมาธิสิบห้านาทีอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ตายได้ไหมมันยังไม่ได้ตัวเองยังไม่ได้แล้วจะไปอุทิศอะไรให้เขาตัวเองยังไม่ได้บุญแต่ยังไม่ได้ความสงบเลยไม่มีความสุขเลย